เรื่องมหาสติปฐานตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโจติปัญโยถ้าเราพร้อมที่แล้วเราก็มาพวกกันในสิ่งที่เราควรจะพูดที่เราควรจะฟังกันคือแต่นนในแต่การฟังกนะันไม่ค่อยดีวันนี้แตงกายจะพูดเรื่อง มีสติปัฏฐานเป็นความเข้าใจจริงๆขึ้นสําหรับพวกเราผู้ฝ่ายในการศึกษาในเรว่าสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องรู้เรื่องสติปัฏฐานแต่ความเชื่อขึ้นสมมติถ้าสมมติ ว, ว่าหนักปฏิบัติเอามไม่ควรจะเรียกจํากัดความ คลายกับใจยกเป็นของท่านนันนกปฏิบัติแล้วคนอื่นไม่ปฏิบัติเลยอย่างไรแต่นี่เราพูดกันอย่างนี้แล้วละ่ะเพราะทั้งบ้านทังเมืองควรจะให้มีความสํานึกเป็นธรรมดาว่าในมือปวดแล้วในทํามวินัยอันนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตารปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนก็ ค, คือการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา แต่พวกเรายังต้องมาแยกกันมันนษกปฏิบัติมนุษย์ปฏิบัติท่านนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่ากันไปเรี่ยขึ้นทะเลจํากัดวงแทพเข้ามามันมีวัดมัดนันวัด น, นดี้ยังมีวัดป่าวัดใช่ๆยังไม่อพอเพิ่ป่าเข้าไปขึ้นเชื่อว่าวัดจะป่าหรือบ้านจะต้องปฏิบัติทำคนจะเป็นอย่างนี้ ก็เขาจะม่รู้ยี่ข้อเขาเลยวัดป่าซึ่งอยงวัดของเราเนี่ยเขาก็เรียกกันแล้วละทั้งบ้านทั้งเมืองวัดป่าบ้านแทบแคบเข้ามาแล้วคือแล้วอยากจะให้มองกันวองกว้างในทรรวินในของพระสัตตะดาซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนทะเลมหาสมุทรเราเห็นยันไงไม่พอฟงเ้อยฟ้าสำนักอุปัตนากรรมาฐาน บางแห่งวงเรียกว่าสำนักธรรมจยุทธสำักมหาลิกายคล้ายๆกับมีแห่งตามีทิฏฐิที่จะยกตนจะแยกพวกอะไรพวกนี้น่าเสียดายในคนงามความเทความเรียบง่ายพอแม่ของเราเคยมีกันไม่เคยแยกกันเดาไม่เคยทะเลาะการ ประสานปัญญาโยได้ด้วยความจิตหมักสมานสามัคคีทั้งคอห้องตัสมครอว่าอัธยาใจใจตาญาติจะกรสองสามัคคีอันเป็นไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกไม่จะส่งมาทะเลาะกันถ้าขาดใจจะโยป่าหรืออยู่บ้านไมรต้องเอาใจในการประพฤติปฏิบัติไม่ใชว่ามาเป็นเนื้อปฏิบัติแต่เพราะพููอย่ในป่าในกรุงเทพในเมืองแล้วก็ปฏิบัติได้ ทำความเข้าใจดังมันไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะต้องมาทำความเข้าใจยิ่งกว่าเรื่องราว้องการปฏิบัติทางจิตโดยจิตอันยิ่งอ ธ, ธิจิตเตจะอายุข้อนีิประกอบทั่วทางจิตที่จริงจิงที่ในายยกไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจ แต่๋ยวีบางพวกโยป่าตลอดโยบ้านไม่เป็นวัดองพวกเป็นอย่างนี้นยังไงก็ตามในส ม, มัยโบราณท่านอ็โยป่ากันนั่นแหละเวลาเราบวชโอปชาก็จะบอกอนุสาทให้อนุสาสี่อันนั้นได้ยินมาตั้งแต่บวชเลยอนุสาเข้าในวยสามุขหามูละเสนาสนังลิตรายประประชา ตถาเตยาวชีวมุสาวกรณนิยตเรกระลาโพวิห้ารัตโยโคปัสาโตหันยังกูหาตรงนี้บอกเรื่องราวอยู่ในป่าทั้ ง, งนั้นแต่ว่าเปนการบรรพชาการเอาบวชอาศัยคนไม้เป็นเซ็นนาสนับเป็นที่ที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนเธอเพิ่งอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอติเลกระลา วาพี่เกิดขึ้นยิ่งกว่าต้นไม้นั่นแต่คือวิหารเรุงแถบเดี่ยววิหารวะใช้คำว่าวิหารวะวิหารโอวิหารอัตโยโคกระทบหมาหอนบัตรเหล่าสารวากระทบหมาหอนนเรนมุงแถบเดียวปาสาใช้คว่าปาสาทนี่ปาสาทโท ความหายที่เรยงชั้นเรียงชั้นมียกพื้มขึ้นมามงอวีหานั่นอาจจะงขึ้นมาแอบมาเราจะรีแอบเนี่ยม่ได <c oughs> ้ยกขึ้นก็ได้ส่วนราสาเนั้นมีมีชั้นขึ้นมาแต่กรใจความหมาย อัจะย่ อ, ยอขออาจจะยอหางโคหังโคหาคำนี้ยังคำยังแปว่าเรืนโล้นเวลาได้เขาเ้าใจว่าคำยังนั้นไปว่าเรืนอล้นเรื่ล้นก็คือเรื่องใมเมืม อ, งองค่ะโพหาคือถ้ำอย่างที่เราใช้ทุกวันนี้เราใช้ ทำวัดสวดมนชั้นข้าวลงอปุปโภคสังขกรรมอบรมวันที่เรานังอยู่ดยเดี๋ยวนี้ไม่มีลังคาอะไรเลยเอาประเมินจนไหลเป็ น, นลนังคานี่ยแหละภาษาบาลีประคำมีอย่างเรือนรุนเรือนรุ่นนี่มั น, นลังจะหมดไปเรนี้ไม่มใคยพูดถึง เ, <อ> เ, เสียงมันไม่ไดีมีคําลางท่านบอกแกนี่แหละเพราะท่านเอาอะไรมาเป็นเครื่องจํากัดพอเป็นวอดบ้านวัดป่า วิหารโรปาศัตว์วิหารปาา่าศักดิเราเนี่อยู่ในบ้านไม่อยู่ในวัดะครัหรืออยู่ในป่ามันก็เป็นยุ่งยากที่เกี่ยวกับบ้านนั้นนะมึงอย่ามาแยกกันว่าวัดวัดบ้านหาวัดป่าพระบ้านพระป่าพระป่าจะต้องเก็บกว่าพระบ้านปฏิบัติเช่งกว่าพระบ้านเป็นนักปฏิบัติอย่าเลื้เจิ่งไปนะมึงของเราที่อยู่ในป่า น, นี่แหละมมีกิเลส คือในกิเลสยกตอนพอมท่านมาอยู่ในป่าเล่นดีกว่าเก่งกว่าท่านที่อยู่ในบ้านนั่นในกิเลคขี่คอนั่งหัวแล้วเข้าใจใครบอกใคยเขาจะว่าเรานี่ยังไม่เก่งพอที่จะไปต่อสู้กับข้างนอกเนีก็เลยมาอาศัยหลบซ่อนครับเป็นนักมวยเลยว่ามาซุ้มซ่มมาซุ้มแล้วซ่อมซุ้ม อยู่ภายในแล้วก็ซ่อมให้แข็งแกร่งเพื่อจ ะ, ะเผชิญกับภายนู่นก็รัด <c oughs> แต่บางแห่งยิ่งไปกว่า น, นั้นไงบินทบาททำไมไปบินทบาทแล้วผิดดัง่งไก่หลวงหมายปินไปบินทบาทกินความจริงเรื่องบินทบาทนี่ก็อีกเหมือนกันเหือนกับโยคนไม้นั้นบวชวันแรกอุปชาก็ต้องบอกแล้วบินที่ยาโลปภูชันนังนิ้สายจะปภะฉันตาธะเตยจะวชิวัง ซาห์กัลลัมิโยติเลกัลลโฟอสังคภัตงังอุเทสภพตงังนิมันตภพนิมันตานังสาลาภพตังปักีกังอโอปอสตีกังปฏิปฏิทังความหมายบอกให้ลูกว่าการบวชนี้อาศัยอาหารคือคำข้าวอันหาได้ด้วยปีแห่งเธอควรทาการอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต ก็เข้าใจว่าธรรมญาวิชีวังอุตสา ห, หกรณีานิโยสร้างหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตที่ท่ามันเลยจากสิ่งนั้นอัติเลกัลลาอติเลกาลาพังอติเลกลัลกาลาสิ่งที่ได้มาที่พิเศษน้อยยิ่งกว่านั้นหน่อยพวกง่ายๆคือพัดที่เขานํามาถาวายสองพัดเฉพาะสองพัดในการนิมนต์อาหารที่เขาดิมนไปฉับเนี่ยถาวายเป็นชลาถาวายในปักในวัน สิบสี่สิห้าคำถวายในวันอุโบสถถวายในวันปฏิบติอะไรพวกนี้เธอเลยว่าพิเศษสเปเชียลเลตี้หน่อยทำไม่ต้องไปวินธผู้บาดแหละมันมีสิ่งเหล่านี้แล้วนี่หนักข่าววันนั้นนะไม่ไม่ไม่เดีไปวินธผู้บาทไม่ได้ไม่ได้ไปก็ไปอ้้มบาดเดินรอบสาลาสามรอบใช้ได้มีจำนวนจะตกนาอกใจนี่คือความขออภัยไม่เข้าใจ เยอมันเทอาท่านไม่มีดต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามันไปบินทบาทแล้วมันต้องอบาบัติแต่การบวนนั้นท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงชีวิตนั้นมีความจำเป็นอยู่สี่ประาการคื <c oughs> อเรื่องกินสองเรื่องเครื่องนุ่มหอมสามเรื่องที่อยู่อาศัยสี่เรื่องยารักษาโรคอย่างเจ็บไข้แด้ป่วย ไม่ว่าเราจะเป็นพระหรือเป็นคราวาสออกมาจากเย้าจากเรือนศรัทธาคริสมานนนะคะดิฉันพระพิจิตตังเป็นผู้มีศรัทธาออกบทจากเรือนไม่เกี่ยวขอ้องเลยเรือนแต่เมื่เกี่ยวขอ้องเลยเรือนนั่นมันยังเกี่ยวข้องกับสิ่งสีอันนี้คือที่อยู่อาศัยยารักษ้าเราอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มแต่เราลดระดับลงมาเกือบจะไม่ต้องมีความเป็นห่วง พระศาสนามไม่ให้เป็นห่วงบวชวันแรกก็ เ, เลิกห่วงเลยสิ่งที่จําเป็นสีอันนี้เขาเรียกว่าปักใจสี่หลือสิ่งจําเป็นแก่ชีวิตสี่ประการไม่ได้ห่วงเรื่องเครือยู่ของกินไม่ต้องห่วงเหมือนกันหอเขากินตลอดชีวิตอุตษาหองกรณีโยออะว่าชีวังอุตษาหองกรณียอไปหอเขากินตลอดชีวิตทํามียิ่งไปกว่านั้น อด้ว่าเป็นลักษณะพิเศษขึ้นมาน้อยคืออาหารที่เขานำมาถวายอย่างสังฆทานหรือถวายเฉพาะในการนิมอนต์อย่างนี้ถวายฉลาขภาตถวายในวันพระใหญ่ๆ่ในวัน อ, อุโบสอะไรพวกนี้คือว่าไม่จะไปวิณฑบาก็ะได้แต่เราบางท่านยึดมั่นถือมั่นไม่ไปไม่ได้ต้องอาบาัดพระองค์นั้นไปเลวชั่วใหญ่หลวงเลย แต่อีกสามอันทำไมไม่ไม่คิดทางกับพวกคำเดียวอย่างข้อที่สองในอนุศาสตร์อุปชาก็จะบอกแล้วบังสกุละจีวลังนิสัยจะปัจังตถาเตยาวัชีวังอุสรโหกัลนิโยติเลกัลลาภโขมังกปาสิกันก็ฤอย่างกัมพลังชาณังพังขัซึ่งจะแปว่าการบวชอาศัยบังสกุลจีวอนพู้ให้ว่าเมื่อเครื่องลงหมไม่ถูก ทานจงนุ่งผ้าบางสกุลที่เขาห่อศพที่เขาไปทิ้งผ้าเปลือนฝนเปรกกลางใช้กับยาวระชีวังูุ้สาหโกรณียเธอเพิ่งทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตก็ทำไมข้อนี้ไม่เอาครับทำไมต้องใส่ผ้าจีวรที่งดงามที่ชาบ้านถวายทาไมข้อนี้ท่านก็พูดแบบเดียวกับคาว่าบินธบาต ใช้ก็ว่าอยาววชีวังอุตสาหกรณีโยมเหมกันอุตสาหะในเรื่องนี้ตลอดชีวิตทําไมเราไม่เอาผ้าชนิดนั้นเล่าไม่กวต้องเอาปกากตระหนัใจนะมิฉะนั้นง้นะจะบอกให้พวกเราทั้งหลายเนี้มีข้อที่สามจก็บอกว่าบรรพชาอาศัยคนไม้ไปที่หนังที่นอนฝึกอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต คํามูลาเานาสนัง น, นิตา ย, ยปะปภะชาติเตยาวชีวังอุสา ห, หก น, นีโยก็บอกอีกแหละการออกบวชนี่ไป่จังหวงนะอาศัยโคนไม้เป็นที่นั่งตี่นอนเพิ่งกระทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตเหมือนกันยาวชีวังเหมือนกันก็ทำไมได้ยินงสร้างุติวิหารใหญ่โตให้ติดแอราสถาบานนั่งรถเก๋ง น, นู่น มันไม่ไม่อุตสาหหงอกอะไรณียมไม่ยาวาชีวังอุตสาห์จนถึงมันตายก็จะมาเลือกเอาแสิ่งที่มันถูกต้องกิกเลสนะที่ฉบอกว่าถ้ามันพิเศษขึ้นมาก็มีวิหารมีปราสาทคือเรือนเรือ น, เรอนมุงเป็นชั้นแล้าจะมีเรือนมุงแคบเดียวกับเทอกม้า้อนเรือนร่อนอย่างที่เราใช้ทำอุโบสถตกวัน เราซะอีกที่เป็นคนไข้โรคอะไรไหมในเรือนร้อนฉันตรงนี้ลองอุอสดฟังปฏิบักตรงนี้อบร้อมสมาธิภาวนาเชาวเย็นอยู่ตรงนี้ทำวัดสวดมนต์อยู่ตรงนี้ข้ามเหล่านี้หันอนุ ญ, ญาตสุดท้ายก็มีอีกแหละตลอดชีวิตอีกเหมือนกัน ปูดิมุตตาเพจชะงลิสัยยะปะพะชั ง, ง, ชงตัทธเตยาวาชีวังอุซาโห์กัลนิโยอติเลกัลาโพสปินวณีตังเตลังมะคธพานีตังคำนี้บว่การออกบวชนั้นอาศัยโมดเน่วเวาปัญญาอยู่จากโมดนะมโ ม, โมดโมดโคตรเข่าดิมโมดกม็หมายนึงเจี่ยวเราเนี่ยเธอมันทำอุสาหศิ่งนั้นตลอดชีวิตอติเลกัลลาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า พิเศษหน่อยก็คือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยพวชั่วพิเศษที่สุดเลยเป็นยาเนะี่ยฟูรจ่าจัดเป็นยาเป็นยาด้วยเป็นอาหารด้ว ย, ย, ยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ่งน้ำอ้อยเนี่ยแต่นี้มัพิเศษตั้งนะั้น่ะมาผมไปแสดงทํากรุงเทพทุกครัง้งไฟถึงเขาเอาไฟท่านจะต้องจับเนยมาให้ฉันในเวลา เ, นเนย็น เองนี้วิววัดเราไม่เคยพบเคยเห็นน้ําแข็งเอ่ยอะไรเอ่ยดี๋ยวเดีนี่กำลังจะทําให้พวกเราเสียคนยอมมันกระจายกับมีเพื่อสิมีอะไรต่อเอ่ยมาเอาแล้วสิอย่างวันนั้นเอาตู้เย็นมาถวายเ อ, อกหลังพวกท่านก็คงจะดีใจว่าได้ฉันน้ําเจ็นหนนะึ่งหน้ารองผมก็หอบไปถวายวัดบ้านใช่หมยมีอะไรเล็กอะไรมากนะัก ในนี้ทำไมไม่กินไม่ชั้นน้ำมนต์น่าเปรย์ยาตลอดชีวิตกันแล้วทำไมจะเป็นปวดหายทันใจมียาดีๆขึ้นมาแต่ตอนบินทบาทนั้นไม่ได้ไปไม่ได้แล้วรอบสาลาก็เอามีเป็นความหมายที่ยังไม่เข้าใจคำมันนิดสไลอ์อนุสาติอุปชาว่าใช่คว่าแต่ถ้าแต่ยาวจชีวังอสศังหัวกรณียอราวนหมุ แปลว่าเธอพึงอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตบินบาหากินอุตสาหะในสุสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตนุมงผอมผ้าบางสกุลพึงอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอาศัยโคนไม้เป็นที่นั่งที่นอนพึงทําอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตมันประชาแล้วอาศัยเนื้อหมดเหนอะเป็นยาอุตสาหะสิ่งนั้นตลอดชีวิต เพื่อ ว, วันนี้ไม่ได้หมายความว่าบังคับเนี่ยเราก็ทำอย่างนั้นจนตายคนตกฟ้าร้องหัวเดือดต้นขาฉันจะต้องไปบินทบาทฉันจะต้องโยกคนไม้ฉันจะต้องลงหงมผ้าบางสกุลฉันจะต้อ ง, าางฉนองันน้ำหมดเนอาเป็นยานตลอดตาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าเมื่อเราออกมาบวทและเท่าสิ่งจําเป็นแก่ชีวิต สี่ประการนี้ไม่ว่าเป็นคารมาสเลยจะเป็นผ้าเป็นกระหัตและเป็นนืกอบวบมันจะต้องกินจะต้องโยจะต้องน่องหอมลองเจ็บคข้แต่ปว่วยวพาอย่างนั้นสิ่งสี่อันนี้ที่จำเป็นไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องเป็นห่วงมัน่นอย่างนั้นยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงเธอโบนและเรื่องกินเขาทานเขากินจปตนไตทำไมมีมลักษณะพิเศษไม่มีอัติเลกัลลาโพไม่มีลักษณะสเปเชียลนี่ที่อะไรขกันมาจำมันจนตอะนะ ขอทานเขากินไม่มีที่อยู่โดยเฉพาะพิเศษคุติวิหารกขาท่อย่างที่พวกเราทำกันโยูไม่ค่อยขอนขวายกันยังนคนม่ตลอดตายแต่คนเขาไม่ใจเจอดเจ ด, ดังพ่อมาสร้างอุติวิหารให้อย่างนี้แต่เราก็ไม่ขอนขวายเคื่อนุ่งห่มเพราะอีกแหละไม่จะเป็นหวงมันจะผ้าดีผ้าไม่ดีเอาเธอะสิ่งที่เู้ ออสบไปทิ้งทิ้งที่เขาทิ้งคุกฝนนั้นน่ะเอามาล้างเอามาซักเอามาต้มเอามาย้อมเอามาตากมาเก็บนี่เราจะใครได้ป่วยอยู่ยาท า, าน้ำไม่ต้องกลัวหายห่วงกันได้น้ำมูนเน่านั้นเป็นยาได้สดน้ํามู่นไปที่ไหนก็มีเรายังเกี่ยวออกตัวเมื่อไหร่ก็มียากินเมื่อนั้นมือภาษาภาคอีสานเราสอสุไปก็บักซุปไปก็บักสอสอซุปตายเลยกรเดียก แต่เรื่องนี้แต่พวกเราก็ล้มอย่างเดียวว่าต้องไปบินธบาแต่อีสามอันไม่พูดถึงเลยทถ้าเกิดมันมีความจําเป็นที่มีประโยชน์มากอย่างจะต้องบันทึกเสียงยังจะต้องพอร์แปลหนังสืออย่งจะต้องทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนายิ่งกว่าการออกไปเดินบินธบาหนั่นในขณะนี้ผก็ควรจะต้องยอมเสียสละนั่น่นมันทําสิ่งเหล่านี้เพราะเวลาไม่มีพอ เวลาเพประสาทนน้ำมากเนี๋ยวเจ๊จะหลักไปเดี๋ยวไทยจะหลักมานี่จะไปโน่นนี่จะไปนี่สิ่งที่ควรทำให้ละเอยียดขึ้นเพราไม่มีเวลาเพียงพอมันก็ต้องทำกันอย่างนี้เพราะฉะนั้น เ, เราพูกันไปถึงนหนเลยนี่แตแลิเฟอร์ฟเฟิร์ว่วาจะฝึมาหาสติประฐานมันก็นเลยขึ้นมาเอามาเริ่มตน้นด้วยคำบมรนักปฏิบัติ มันจำกัดความแคบวัดนักปฏิบัติวัดบ้านวัดป่ามีวงเล็บรำมยุดมีวงเล็บวัดป่ามีวงเล็บอัานั้นักวิปัสสนากรรมฐานอะไรต่างๆหมืนกับกลัวคนเขาจะไม่รู้เมือนกับต้องการที่จะยกตอนให้เด่นให้อะไรซึ่งมาความจริงประธรรมวินยัยอันเดียวกันตั้งขลาดองเดียวกันพุทธเจา้าองเดียวกันมีที่ไหนยกเว้นวามหานิกายไม่ต้องปฏิบัติ ตามประธรรมอันใดท ำ, ทำมยุทธเท่านั้นเล็กนิดที่ไหนยกเว้นว่าทำมยุทไม่ต้องปฏิบัติอันนี้มหาวิกายเทา่านั้นเก่งจะต้องทำมีข้อไหนยกเว้นว่าวัดป่าทรงปฏิบัติอย่างนี้วัดบ้านไม่ต้องทํามีข้อไหนยกเว้นว่าวัดบ้านต้องปฏิบัติอย่างนี้วัดป่าไม่เกี่ยวมันทุกอย่าี่มันใช่แต่ครกเราเปนบ้องเตื่นกันแหละทุกวันนี้เอาความเครียดนะพวกเราอยู่ในฝันใ น, นต้องลบ เดี๋ยวอย่างนี้อย่าไปาายกตนข่มเจ้าบ้านเดี๋ไปว่าเรากเก่งเรากักเหตนัตนเองฉันข่าอยู่ในบาพาช น, นะอันเดียวฉันเวลาเดียวหนะังสมาธิภาวนานกันอยู่ยิบอย่าได้เข้าใจหรืเ อ, อเชื่อเหงือเว่าเราเป็นผู้โ้ทีผู้เด่นเป็นนักปฏิบัติคนอื่นไม่ปฏิบัติัานกีเลสขี่คอตบหน้าไปหัวไปแล้วรู้เลยปากเราเอาเป็นว่าเรามาทําความเข้าใจกับสติ ประธานต่างไกลจะพูดในเรื่องนี้แต่มันก็ยังไม่ลองล็อกลองเอย่ยเวลานีเรื่องพูดของเราไปเรื่อยไปเรื่อยก็ที่เวลามีหมดเวลาคันเลิกกันทวากันต่อไปไม่ต้องรีบต้องรอ้อนเรื่อสติประธานนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องรู้กันละ พอเรามีวิธีทำชั้นตีมันก็บอกอันแล้วเรียนกันแล้วสติประธานตีมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคลบคลตัวตนเราเขาเวทนาสักแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตธรรมเหมือนกันเฮ้มันก็ไม่รู้เรื่องกันดีดีมันสวดร้องท่องบอนกันเลย น, นกแก้วนกขนทองมนะก็ไม่เข้าใจยิงทุกวันนี้มีการ เป็นค่อนข้างจะตื่นตัวทางการปฏิบัติตสมาที่ภาวนาเกิดสำนักนนิสำนักนี้ขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดแต่จะแล้วมันไม่เหมือนการปฏิปทายังไม่ลงเอยกันทะเลาะกันเป็นก็เป็นเหล่าเป็นหมูเป็นคณะเป็นเส้นเป็นสายหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่าอันนี้ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน อันอื่นใช้ไม่ได้เอาแล้วสิที้อะไรคือมหาสติปัทานโดยแท้โดยเฉพาะเรื่องการบฏิบัติเพื่อดับดทุกข์พูดพุทธาณท่านพูกเรื่องสติปทานนี่ว่าเป็นหนทางอันเอกเดียก่อนวิสัยหนทางนี้เป็นที่ไปอันเอกไปอันเอกไปอันเองในฟังเข้าแก่ยาก น, นะอันเอกเ อ, อ็กะไปวันหนึ่งที่ไปอันเดียวทางเส้นเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อร่วมความสงบปริเทวะความดับสูงแห่งความทุกขโทมนึกเพื่อวรรลุทำที่ถูกต้องพเพื่อทําให้แก่งสงบแผนิพพานหนอนทางนี้คือสติปัฏฐานอืมฉันใช้คําว่าอย่างนี้เอาากาญโนออย่างฟิกเวมะโคอสตานังวิสติยาโสกับปริเทวานัง่งสันติกามายะตุกขโทบนัสานังอัตทังคมายาชาญาตะ อธิกรมายะนิพพานสัจฉิกริยายะพอทำอันเป็นไปเพื่ อ, อความดับแห่งทุกข์ดับโนุนไม่ใช่ดับธรรมดานะดับศูนแห่งทุกข์เพราะว่าดับศูนคือทุกข์ไม่เกินมาอีกเลยศูนสิ้นเพ่าพัน extinction sufferingness ดับดับมันเลยเดีย๋ยวศูนพันของความทุกข์ ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกของความทุกนั้นจึงเชื่อว่าเป็นไ้เพื่อความดับโซนแห่งความทุกท่านใช้คำนี้แล้วก็เป็นไว้เพื่อพระนิพพานเป็นว่าเราเข้าใจกันตามนี้ <c oughs> ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นี้พระส า, ต า, า, สาวตถาคันได้สอนมาเป็นทางอันเป็นทางอั น, นเอก ไปทางที่ไปสู่ความเป็นเอกคาว่าเอกมีความหมายมากนะเอกอันหนึ่งหมายว่าอันเดียวเอกอันนหมายว่ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเสียบเป่าเป็นที่ถึงเลยนู่นทางนี้เป็นทางไปอันเอกก็หมายว่าไปสู่ควา ม, วามยิ่งใหญ่ที่สดุดเป็นเอกอะไรจะยิ่งไปกว่าความไม่มีทุกข์และลิขา น, นุกรม สติปัฏฐานสี่เป็นฉนายที่สุดทั้งหลายที่สุดในธรรมวินญาณีพิดนาเหตุกายในกายเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาโทมนัตในโลกเสียได้ข้อภายท้หายยังไม่เข้าใจก็ฟังไว้ก่อนใ่จะค ja ่อยอธิบายภาษาไทยไม่ค่อยจะแปลกันดอกชัดเจนลงมาว่าตั้งจากอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้ <recht> พอมาลงที่เวทนาก็บอกมีสติสัพพัญญะเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรกําจัดอาภิชาทรมนัสในโลกเสียได้พินาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัพชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและทรมนัสในโลกเสียได้พินาเห็นธรรในธรรมโยมีความเพียรมีสัมพพัญญะมีสติกําจัอภิชาและทรมนัสเสียได้ คารชจริญฟังให้ดีว่าไม่เคยแยกออกจากกันระหว่างสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะและสติเนี่ยไม่ไม่แยกออกจากกันจะต้องควบคู่อยู่เสมออาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยาโลเกวิชาโคมานัสัง อาตาปีมีความพียรสัมปชันสติมาอืมสติสมัมปชัญญะไวในยะโลกะอภิชาตอมนัสสังทอนอภิชาตอมนัสออกจากโลกเสียได้ําจัดอภิชาและทมนัสนะครับอวิชาและโทอมนัสมีคู่หนึ่งที่จะต้องทาความเข้าใจสติสมัมปชัญญะนี่คู่หนึ่งที่จะต้องทําความเข้าใจให้ได้ พิจารนั้นแยกออกแกกัดไม่เข้าใจในนี้นะักปฏิบัติเราก็เน้นเงินว่าต้องมีสติต้องมีสติข้ามสติสัมชัญญะไม่ผู้เทิงแต่ท่านพูดในพระบาลีนั้นไม่แยกออกจากกันอาตาปีสัมปชัญโณสติมาวิทยะโลเกปิาชาโทมนัตสังกัมจัตติปิชาโทมนัปออกจากโลกเสียได้โดยความเป็นผู้มีความเพียรมีสัมชัชญะมีสติ มีสองคู่คู่สัมปชัญญะคู่สติอภิชาตมนัทอภิชาโตมนัทเนี่ยจะต้องกําจัดในโลกในโลกมาว่าในชีวิตทางชีวิตในโลกนี้มนุษย์คนเร า, ามันคล้องอยู่กับอภิชาตมนัทแต่อภิชาตมนัทนี่คืออะไรอภิจิงชาเพ่งเพ่ง อภิชาเพ่งเพ่งยิ่งเพ่งเฉพาะอภิชาสิ่งที่เรารักมันแหะคือสิ่งที่เราพอใจนั่นแหละที่เราเพ่งมันเฉพาะพอใจสิ่งใดก็เพ่งหาสิ่งนั้นมองหาสิ่งนั้นต้องการสิ่งนั้นรอคอยสิ่งนั้นใฝ่ฝันถึงสิ่งนั้นนี่เรีว่าอภิชาเสนเทอมนะสทมนัสเทมนัสเทอมนัสไม่พอใจไม่ยินดีกับมันไม่พอใจ อาภิชาและโทมนะพงูง่ายคับมันก็คือความพอใจและไม่พอใจกําจัดอาภิชาและโทมนัสในโลกเสียไดย้ก็แปลว่ากาจัดความพอใจและไม่พอใจออกจากโลกเสียไดย้เราไม่ติดความพอใจเราไปติดที่ความไม่พอใจเราตริดความไม่พอไม่ติดความไม่พอใจเราก็ไปติดอยู่ที่ความพอใจ มันเป็นพิษเป็นฟืนเป็นไฟเดียกันทั้งสองฝ่ายทั้งพอใจและไม่พอใจขุดดินดันประสงมหอแต่บอนเกี่ยวเนี่ยวเซลใหม่ผสมไงแต่บอนบาง <c oughs> อาส า, าอีสานมตนั่นก็คือความเพ่งเฉพาะอภิชาลงไปสิ่งที่พอใจจะขุดดิน้น <c oughs> ก็เพ่งไปหาที่มันง่ายๆ่ายขุดง่ายฤฤ ง, ายงาย่เสร็จเร็วเร็วเซลไม่ <c oughs> แนเวเซลใหม่ผอสองหน่อยพอสองหน่อยแต่วันบางชะเซลไม้ก็ตรงการที่มันอ่อนๆที่มันบางๆทลุกง่ายๆมันก็เพ่งเฉพาะลงไปตรงนั้นนี่เขาจะว่าอพิชชาและชมนะแปลว่าพอใจแล้วไม่พอใจในโลกนี่มันมีความพอใจและไม่พอใจเท่านันที่เป็นบรรยากาศของโลกที่นี่ก็มีคาว่าสาตีสัมพัญญยนในโคนี้ เราข้างหลังเน้นการเพาสติเ น, นี่ยหรือไม่ใช่นั่นก็เป็นสติที่มากเกินไปไม่พอดีชัดเกินไปถ้าขาดสมประชัญญะสติก็เป๋ามา ก, กเร็วก็เร็วเกินไปมากเกินไปไม่มีเบรกสมประชัญญะนั่นเนี่ยเป็นตัวอินสเปคเตอร์เป็นตรวจตรวจตรวจเงินของสติอกทีหนึ่งช่วยฟังให้ดีนะไม่ใช่พูดเล่นๆกันซะแล้วละ ในนี้สติมากเกินไปกระทาให้ไม่ไม่รู้เบื้องหลังไปเบื้องหน้าตะเพิดเหมือนกับคนวิปลาสวิปลาสนักปฏิบัติทำวิปลาสเคยเห็นไม่ใช่ไหมมีสติมันมีสติแต่มันไม่มีสัมปชัญญะสติมากชัดจ้าเกินไปมือนไฟที่มันเจิดจ้าเกินไปเลยมาไม่เห็น สองตาข้าวก็เลยฟางฟางไฟไม่มีโฟกัสสติที่ขาดรับบัญญัมันจะเป็นอย่างนั้นมื่คนที่เป็นนักปฏิบัติทำตมาที่ภาวนาลงก็เพ่งลงไปเพ่งลงไปมีสามาธิอยูนั่นนะข้าวมันก็เกิดปรากฏการอะไรขึ้นมาความทรงจำอะไรปรากฏขึ้นรีคอร์เดเลชั่นขึ้น สิ่งที่มันศึกษามันเล่าเรียนมามันกลับจํามาบทในที่สดุดมันไม่มีสัมปชัญญะมากําหนดรูปลงไปในตัวรู้ในตัวสตินั้นมันก็เอาออกมาพูดพูดพร่ำอยู่ทุกวันเลยนั่งเทศให้คนอื่นฟังใครไม่ฟังไปเทศให้ต้นไม้ต้นลายฟังอยู่คนเดียวเทศได้ทั้งวันสองวันสามวั น, ว น, วนจนคอแหบคอแห้ง น, นู่นจะเป็นคำพูดดีๆท่านนึ่นเลิ่ง คันหาเรลืองอาเจตนาเรื่องขาดเหลืองคันตลอดไปถับเป็นคนนึกเรียนอพิธรรมก็ไปจิตเจตสิกโรปนิพพานเ้ยมันเทศได้สามวันสามคืนจนตลบไหอ้ไปนั่นแหละจนคอแหบคอแห้งคำเทศนี่ฟูคมชัดทำไมมันเทศเป็นอันนี้สติแต่มันขาดสำปรชัญยะเรียกว่าสติมากเกินไปโง่ยังไงสติมากเกินไปเพราะ ง, งั้น ในเรื่องวิปัสโนะปกิเลสมีอยู่ข้อหนึ่งกิเลสก็ง้างเพื่อพัฒนาคือคําว่าอุปทานอุปทานนี่เป็นวิปัสโนะปกิเลตทั้งวิปัสโนะปกิเลสก็เห็นทีต้องขอนํามาพูดให้เราทั้งหลายได้เข้าใจซะอุปกิเลสแห่งวิปัสนาภาษาบาลีเงว่าวิปัสโนะปกิเลต ในหลักพระบาลีโดยตรงก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีแต่มีในวิสุทธิมรรคในวิสุทธิมรรคส่งเป็นหนังสือระดับอัตถกถาจ่งเขียนมาพระพุทธโคสาจารย์นะวิสุธ 3, ทธิมรรคภาคสามบทที่สองร้ยหกสิบเจ็ดเขียนไว้แต่ในพระไตรปิฎกในพระบาลีแท้ๆก็ไม่มี ก็ น, น่าคิดว่าท่านเขียนถึงเรื่องความมีสติกล้าสติชัดในเป็นวิปัสโนอันหนึง่งจถ้าหากเราไม่เข้าใจใเรื่องสัมปชัญญะซึ่งเป็นคู่กันกันกบสตินั้นเราก็คงจะเทียงในใจว่ามันอย่างไงก <c oughs> ารปฏิบัติก่อนเน้นที่สติโคบาอาจารย์ไหนก็สอนสติทําไมสติกล้าสติชัดกับจะเป็นการดีทำไมจึงกล่าว่าเป็นวินปัสโนปกิเล อารมณ์ที่เกิดแก่ผู้ที่ได้ตระหนัวิปัสนาคือวิปัสนาอ่อนๆใจเริ่มสงบมันก็จะเกิดปรากฏการณแห่งจิตทําให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผลแล้วก็เป็นเหตุให้ขัดขวางไม่ให้ก้าวนาต่อไปในวิปาาัสนาญาณจึงเรียกว่าวิปัสโนปกิเลสอุปกิเลตของวิปัสนามันจะขวางมันพอใจเพียงแค่นั้นมันไม่กล้าวต่อไปเริ่มต้นด้วยคําว่าโอภาษ โอภาสหนึ่งโอภาสจะไว้ให้ดีแปลว่าแสงสว่างอิลเลเมนชันอิลเลเมนชันภาษาฝรั่งกว่าอย่างนี้สว่างกลางคืนเป็นกลางวันนั่งสมาธิไปเกิดแสงว่าวไปว่ า, วาอีหน่อยสว่างโพลงขึ้นมาเจอกล้าขึ้นมากันึกว่าตนเองบรรลุธรรมเป็นพระอรหันเหมือนได้ฟังเรื่องราวที่เขาเขียนโพธิรักษยืนเยี่ยวแล้วก็สว่างว่าขึ้นมาบรรลุธรรม มันสภาพเตเวทนานั่นแหละไม่เข้าใจก็น่าสงสารความจริงแกก็พยายามนะศึกษาค้นคว้ามันก็มาติดตายอยู่ตรงนี้แต่เก่งว่าเป็นเหตุให้ขัดขวางไม่กล่าวหน้าใครพูดก็ไม่เชื่อตอนนี้ตอนนี้ให้พระอรหันต์จริงๆมาเทศให้ฟังแกก็หม่เชื่อเพราะมันขวางสไลตตัวนี้ขวางจึงว่าวิปัตนู ต่อมาข้อที่สองจากแสงสว่างจากโอภาสก็คือญาณความอย่างรู้อีกหนูก็รู้ด้วยญาณนนะู่ดอะไรอะไรรู้ด้วยญาณหมดพระไตปิดกคําตั้งสองพุทธจังหกปแปะเอาเองรู้ด้วยญาณรู้ด้วยญาณมันก็เละเทะไปใหญ่นั่นเองไหมเรามีปัตจุบันทั้งนั้นต่อมาก็ปีติความอิ่มใจปีตินี้ก็ทําให้เราหลงไหลนะ ตัวบ้ามันจะล่องลอยไปไนท้องฟ้านาภาอากาศหรือมันกินนั้นก็สงบเย็นซึมซาบพาลนาเคยจะว่าเราบรรลุทำแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยเล็เชอร์เล็บเชอร์ภาษาอังกฤษว่าล็เชอร์ตัวนี้เรียกว่าจอยมากกว่าคําว่าเล็เชอร์จอยโหลดโหลดโหลดพ้นไปเลยอันพิศเศษจอยเนี่ยโหลดเหมือนพ้นเอาทุกพ้อนอีก แสงสว่างให้เกิดขึ้นยานอย่างรู้นั่งอยู่ไปเห็นเมวออกลูกเห็นชาวบ้านทำอะไรกันอยู่มันเห็นเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจโผล่ขึ้นมาอย่างนี้จะไปหลงมันว่าเราเป็นพระอริยจ้าปีติความอิม่ม อ, อกอิ่มใจความเบาความสบายจนหลงไลหลนึตอตัวตนเองเป็นพระอริยจ้ากิเลสมันหมดไปแล้วเหล่านี้ข้อที่สี่ประเสริความสงบเยน็นเย็นจนไม่อยากลุก สงบสามวันสี่วันไม่อยากรู้ไปกินข้าวกินปากว่าเอาอีกแหละแท a n k ิลิตี้ t y กันมาต่อมาก็ตัวความสุขความสบายใจแท้ๆ this b u s n e s s มันมีความสุขมากสุขอันเกิดจากธรรมก็้ลงไหลพอใจยิ้มอยู่ในใจตลอดไม่ศึกษาลึกลงไปในความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาและตัวเป็นจิตแท้ ข้อที่5้าสองข้อที่หกก็ อ, อธิโมกน้อมใจเชื่อศรัทธาแ ก, ะกะ่กล้าความปรงใจอะไรเชื่อหัวน้ำตาไหลเชื่อลงไปในสิ่งที่ตนพบตนเห็นยังไม่มีพวกธรรมะวิจยะต่อมาปักกาะความเพียรที่พอดีประครับประครองเพ่งจ้องตลอดการอย่างนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งจน กลายเป็นแอทแทสเป็นอุปทานอีกตัวใหม่มีข้อหนึ่งเลยข้อที่หนึ่งอุปทานมีสติแก่กล้าสติชัดตัวนี้ก็ไม่เบามามีสติกล้าขาดสัมปชัญญะคอยเหนี่ยวรั้งรู้ตัวของมันอีกทีหนึ่งรู้เข้าไปในความรู้รู้ความจริงในความรู้มันไม่มีมันรู้ไปอย่างเดียวตะเลตะเลดิดเตลยไปเลยทีนี้พร้ามออกมาเลยเทศสามวันสามคืน ก็ไม่จบไม่มีคนฟังเทศในต้นไม้ต้นหลายภูเขาเรลากาฟังถ้าอยู่ในป่าอีกกันหนึ่งอุเบกขาเจ็ดเฉยวางไมพ่พิจารณาวิชัยลูกเดียวนี่กันติพอใจติดใจกับสภาพนี้สิบอันนี้ยังเรียกว่าวิบสัสิโนะเบเกเลพโทไว้ประดับความรู้ไม่มีเวลาอธิบายกันส่วนมากมันมันจะเกิดโอภาสนี่แหละตัวแรกเอามาเป็นหัวหน้ามันสว่าง แ้งสว่างต่อมากระยานอย่างรู้รู้โดยยานตัวอุปทานนี่ก็ไม่เบาสติกราสติชัดนะักปฏิบัติวิปลรราสเทศอยู่สามวันสามคืนมีแต่ถ้อยคำดีๆไม่รู้ไปจดไปจำมาจากไหนเฮ้ยเจงไปหมดเลยพูดอะไรมานี่ยน่าฟังแต่ตัวคนพูดนั้นเกือบจะไม่นุ่งผ้าบาบอคอแหบคอแห้ง น, นี่คืออะไร บางคนก็หลงกัไปอีกว่าพระ อ, าอาริยาาะเจ้าเว้ยเป็นบ้านนี่อริยะเจ้าแต่งเป็นบ้าฟังเทศไปเลยเอาได้บอกให้เข้าใจว่าสัมปชัญญะกับสติแยกจากกันไม่ได้สติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวที่เรียงกันเน่ะมันรู้ตัวยังไงลระลึกใดอย่างไรสติระลึกได้ว่าตนเองทําอะไรเป็นะอะไรอยู่ยังไง คิดอะไรสภาวะที together, YJ, so you know it, ่ปรากฏขึ้นสัมปชัญญะรู you, you so ้ตัวว่าระลึกได้และรู้ตัวว่าระลึกไม่ได้ก็รู้ตัวไม่ใช่หรือรู้ตัวเฉยๆทั้งว่ารู้ตัวก็คือรู้เข้าไปในตัวของสติมันระลึกได้หรือมันระลึกไม่ได้ก็รู้ตัวรู้ตัวว่าเออนี่ระลึกได้รู้ตัวว่าเออนี่ระลึกไม่ได้ไม่ทันต่ทงพวกผู้มีเดนี้มันไม่อย่างนั้นมันไม่รู้ตัวอย่างนั้น แลึกอะไรได้มามันก็ว่ า, วาของมันไปเลื่อยเปื่อยไปก็เลยไม่รู้ขอให้เ ข, าข้าใจคําว่าสตินะอันนี้เราพูดเบิกทางไว้ก่อนว่าสติและสัมปชัญญะแยกจากกันไม่ได้อืการทําการอบรมทางจิตให้มีสติขั้นมา ส, สติปัฏฐานนีให้มีเป็นสมาสติสมาสมาธิเนีะนะจําไปถึงสมาวิมุตติสมาญาณนะสมาวิมุตติ มีสติอย่างถูกต้องสมาธิถูกต้องมีความรู้ความเห็นถูกต้องมีความรุดพ้นถูกต้อ ง, ม, ม, องมันอาศัยสัมปชัญญะนี่ขาดไม่ได้มันเป็นขั้นเป็นตอนของมันที่เราจะดูให้ชัดลงไปก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้มันมีอยู่สี่กลุ่มมีคนทำงานอยู่4ี่4แผนตีแผนมีผู้ทำงานมีผู้สั่งงานสอง สามมีผู้ควบคุมงานสผู้ตรวจงานมีสอันผู้ทํางานคือคนงานกลุ่มหนังเลเบอร์คนงานกรรมกรจะมีหัวหน้าสั่งให้ทํางานคนนั้นภาษาฝรั่งเขาบอกโฟแมนนะหัวหน้าคนงานแล้วต่อมาก็มีอีกผู้ควบคุมโฟแมน ผู้ควบคุมฟอร์ m a n เอกอันหนึงคือ supervisor ผู้ควบคุมควบคุมผู้สั่งงานแกจะสั่งผิดสั่งถกูกยังไงฉันจะควบคุมแล้วมีอีกค น, นผู้ตรวจงานของผู้คุมอีกทีหนึง่งเรียกว่า inspector พเเวกนี้อสูปอีกทีหนึ่งว่าผู้ทํางานผู้สั่งงานผู้ควบคุมงานแล้วก็ผู้ตรวจงาน จะฟังให้ดีผู้ทํางานคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ภายนอกภายในยนี่ก็ททบกันอยู่ตลอดหูก็ทํางานอยู่ตลอดไม่ว่ากลางวันกลางคืนเสียงมาขนาดข้างหลังมันก็นได้ยินมันทํางานรับลูกตามว่าเห็นอยู่ตลอดอย่างนี้จมูกมันก็นได้กลิ่นเหม็นหอมกระโบมากายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งริ้งฝาก ขมเผ็ดเค็มหวานอะไรต่างๆมันทํางานเขามันอย่างซื่อสัตย์ตรงนี้ถึงผู้ที่สั่งงานเขาก็คือจิตคือใจตาเห็นแล้วมันก็แล้วมันไม่ได้บอกว่าสวยหวางงา ม, มอะไรใหญ่ดีสิ่งใดมาผ่านคองจักษุสิ่งใดผ่านตาเข้ามาพอเห็นลืมตาขึ้นเห็นต้นไม้ต้นไหลเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเห็นมัไม่ลเอียดเห็นตาเนี่ย งานดมันแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าเห็นแล้วสวยหว่างามมันก็เฉยหูก็ไม่ขี้เกียจได้ยินอะไรดังขึ้นข้างหน้าข้างหลังกัางวันกลางคืนมืดแจ้งมันได้ยินมืดจมูกก็ไม่ขี้เกียจได้กินกายก็ไม่ขี้เกียจเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกความเย็นมันก็เย็นถูกความร้อนมันก็ร้อนมันไม่ขี้เกียจเลยฉันขี้เกียจเย็นฉันจะร้อนฉันขี้เกียจร้อนฉันจะเย็นอย่างเดียวมันไม่ผ่า ให้มันสำคัญตรงที่ผู้สั่งงานถ้าตาเห็นรูปที่สวยที่ถูกใจใดพวกสั่งดูอีกสิฟังอีกสิถ้ามันไผ่รแ๊อตัวอย่างง่ายๆพระทรงอ ง, องก์เจ้าเราเนี่ยเข้าไปเบญทบบาทในหมู่บ้านพระพุทธญาณสอนเธอไม่สํารวมตามไม่สํารวมหอ้ไม่สํารวมอินทรีนั่นนะ เขาบับไปวิศวะในหมู่บ้านไปพบมาตุคามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วรับลับห่อหล่ อ, ล อ, ลอทุกวันนี้นุ่มกางเกงขาสั้นมาใส่บาตเสื้อฉันในไม่ใส่นี่เมืม่อควรมลสํารวมเพราะตามันทํางานของมันนะผ่านมามันต้องเห็นถ้าคุณยิ่งไปช่วยมองมัน <c oughs> มึนก็จะเห็นนี่ใครเป็นคนฝั่งให้มองนั่นนะผู้สั่งงานคือใจที่เขาใส่บาตผ่านไปแล้ว ใจมันยังสั่งว่าให้ตานี่มองดูอีกทีสิคนนี้หน้าดูนะอยู่ในวัดไม่เคยเห็นนี่นี่นี่เนี่ยมี่ตัวสั่งงานอยู่ตรงนี้เลยความพอใจสั่งให้ดูไม่พอใจสั่งให้ไม่ดูไม่ให้ดูภารหร่อเสียงมาพอใจก็สั่งให้ฟังตั้งใจฟังอีกทีสิหยุดฟังสิเนี่ยตัวนี้ตัวสั่งงาน มีตัวคุมงานก็คือสตอิผู้คุมงานควบคุมจิตอีกไม่ให้มันสั่งไปในทางชั่วให้มันสั่งในทางที่ดีเมอได้ยินเสียงไพเราะฟังสนุกสนานสติก็สั่งว่าจะไปฟังมันลร้มันเป็นอากาศเป็นลมเป็นแรงไปจะไปล้องหยุดมันเถอะมันพอใจไม่พอใจครับมันบ้าบอแล้วมันเลิกไม่ใส่ใจเห็นรูปสว ย, สวย ตาเห็นลากันแล้วไปจิตมันจะสั่งให้ย้อนกลับไปดูอีกทีสิจะได้เอาไปปรุงไปแต่งอะไรมันไม่เคยเห็นนในยุทธวัตนี่มันลูกสาวใครอะไรสติมันก็ควบคมุมเนื้อหนังแต่งตึงไปหนึ่งผิวแต่งอีกหน่อยยอนตองแต่งยานต ร, ต, รตรงเต่งไม่ใช่เพียงแค่นี้ภายใต้ความแต่งตึงนั่นมีเลือดมีเนื้อลงไปในท้องของผู้หี่งสวยสดงดงามมีอาหารใหม่อาหารเก่าลําไส้คดอยู่มีอะไรก็ว่ากันไป อยในปากจิ้มลิ้มมีขี้ฟันในตากลมคมวาวนั้นมีขี้ตามีขี้หูมองนึกตงไปนู่นนี่เรียกว่าผู้ผู้ผู้ควบคุมงานคือบอกมันไม่หยุดบอกให้ใจหยุดไม่หยุดก็อธิบายให้มันฟังมันก็นเลิกยางคายเวลาเข้าออมานี่เรียกว่าผู้ผู้ผู้ควบคุมงานต่อมาอีกพูดตรวจงาน ไอ้ตัวผู้ควบคุมในบางทีมันอ่อนแอมันก็พอใจพอใจที่จะไปกับผู้เมื่อสติอ่อนแอมันก็ปล่อยผู้ควบคุมให้คุมผิดไปชั่วสเปะสปะใ น, นที่สุดก็เป็นทุกข์หลงเข้าไปพอใจและไม่พอใจหลงพอใจเป็นอภิชาหลงไม่พอใจสู่โทมันั้นทีนี่ลำพังผู้ควบคุมงานไม่สามารถ ที่จะกําจัดอภิชาลและโทมานั์ในโลกเสียได้ไม่สามารถกําจัดความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้ทําให้ผู้สั่งงานสั่งได้ตามใจสั่งให้พอใจสั่งให้ไม่พอใจเพราะผู้ควบคุมงานมันอ่อนแอเสแล้วมันก็ไปด้วยกันจึงจําเป็นต้องมีผู้ ตรวจงานของผู้คุบมีอินสเปคเตอร์มาควบคุมซูเปอร์วายส์อีกทีหนึ่งนี่คือสัมปชัญญะพอเวลามีสติรู้เท่าทาันก็รู้ตัวว่าเออนี่มันยังรู้อยู่นะถ้าเกิดมันไม่รู้ขึ้นมามนรู้ไม่ทันขึ้นมาก็มีสัมปชัญญะว่าเออนี่มันไม่เห็นรู้เนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็จะได้ปกมันขึ้นมาตัวงานทําไมแกจะไม่ทํางานสรุปอีกทีหนึง ปกตไกของธรรมชาติของจิตของกายมีผู้ทํางานมีผู้สั่งงานมีผู้ตรวจงานมีผู้ควบคุมงานแล้วก็มีผู้ตรวจงานอาชีพหนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันเกิดอาการทํางานเกิดรู้ขึ้นมา ผู้ทางตาทางหูทางแก้มองทางลิ้นทางกายขึ้นมาเมื่อตาเห็นโูกหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจไม่พอใจเรียกว่าเวทนาจักขุสัมผัสซาเวทนาโสตสัมผัสซาเวทนาเกิดเวทนาขึ้นมาเพราะการสัมผัสทางตาทางหูวเวทนานั้นใจพอใจและไม่พอใจเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดอภิชาเกิดโทมันึกก็สั่งถ้าพอใจก็สั่งให ฟังให้ดูให้สัมผัสเองเมื่อพอเจอก็สั่งให้เม่ฟังไม่ดูไม่ให้สัมผัสให้นี้ใกลๆนี่ผู้สั่งงานทีนี้ก็มีสติเข้ามาควบคุมควบคุมจิต ท, ที่มันพอใจแล้วไม่พอใจเมื่อให้มันต้อยู่พาได้อำนาจความพอใจและไม่พอใจนี่ผู้ควบคุมนี่อ่อนแอขึอ้นมนต้องมีพูดตรวจงานมันอีกทีนึงว่ามัน ควบคุมดีไหมหรือมันควบคุมไม่ไดีมันล้มเหลวหรือมันเก่านะนะแล้วก็เข้าใจอย่างนี้เป็นนว่าระบบของสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าเราสอนที่หมู่บ้านกรรมมาสธรรมแคว้นกุลุนั้นมีผู้บรรลุธรรมได้มากมากค่ะผู้ถึงอัตถกาถาบอโ อ, เเเอ้เป็ น, นหมื่นเป็นแสนแม้แต่ชาวบ้านเป็นนว่า สติปัฏฐานก็แปลว่าที่ตั้งของสติที่ตั้งของสตินะตสตให้สตินะี้ที่ตั้งมีที่เจริญเติบโตขึ้นมาจะทำยังไงก็คือมาทำความรู้จักกับกายกับเวทนาความรู้สึกและก็จิตตัวสภาวะจิตลุน่นลุน่นและก็ทำ ธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในกายในเวทนาในจิตในสรรพสิ่งทั้งหลายมีสติอยู่เท่านี้มีสัมปชัญญะตัวงานสติอยู่กับสองอันอันสี่อั น, อ, นอันนี้แล้วจิตนี้จะค่อยเดินทางไกลออกไปไกลออกไปจากความเป็นทุกข์ไปสู่ทางอันเอกอันยิ่งใหญ่ไปสู่ความบริสุทธ ล่วงพ้นความโศกดับศูนแห่งความทุกข์บรรลุธรรมที่ถูกต้องเห็นแจ้งพนิพันในจำนวนสี่อันนี้เอาละเป็นว่าเราเข้าใจนะผู้ทำงานผู้สั่งงานผู้ทำงานคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูบเสียงกล่นรถสือสัตว์ตลอดกระทบกันเมื่อไหลาตาก็เห็นเมือนนั้นได้ยิ้นเมื่อ เสียงมากระทบมาไหลหูก็ได้ยินเมื่อ น, นั้นทํางานซื่อสัตย์นอกจากตาบอดหูหลอกจิตเป็นตัวสั่งงานพอใจไม่พอใจพอใจก็สั่งออกมาในรูปหนึ่งไม่พอใจสั่งออกมาในรูปหนึ่งสติเป็นผู้ควบคุมจิตที่พอใจแล้วไม่พอใจให้สั่งงานอย่างไม่เป็นที่เป็นพายอย่างถูกต้องสามประชันยะ ตัวงานของสติว่ามันสังโขกสั่งเพชรบ้างหรือไม่มันสั่งหรือไม่มันควบคุมยังไงเนี่ยมันเป็นสี่ระบบท่านจึงกล่าวว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาวิเนยะโลเกฟิชาโรมันต์สังมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติท้อนความพอใจไม่พอใจออกจากในโลกเสียได้ที่เริ่มต้นด้วยกายกายกายานุปัสนา พิจนาเห็นกายในกายตรง น, นี้ย่ามีปัญหากันทุกวันนี้มีปัญหากันมากนักปฏิบัติครูบาอาจารย์เถียงกันคนนึ่งบอกว่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ก็เลือกกินเลือใช้เพียงพอแล้วอีวกคนหนึ่งบอกว่าการดูลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนา คืออีพวกหน um. ึ่งบอกภาวนาภาวนาหายใเข้าบอกพุทธหาจะออกวุทโทภาวนาบริกรรมภาวนาว่าพุทโธอีพวกหนึ Minor ่งบอกภาวนาว่ายุบนื้อผ่องเน้อบริกรรมยุบเนื้อผ่องเนอหายใจเข้าว่าพองหายใออกว่ายุบหายุบเน้อผ่องเนื้อวิปัสนาแท้พุทโธสมุทะอ่าทะเลาะกันแล้วนะมีความเพี้ยแตกแยกกันนะอีพวกหนึ่งสร้าง สัมมัญญาสร้างความรู้สึกในการเคลื่อนไหวไหวนิ่งนิ่งไวหวอีกข้นึงสร้างสติให้เห็นรูปเห็นานามเลาะกันอีกข้นึงเพ่งลูกแก้วดวงกลมใสเนื้อสะดือสองนิ้วให้เห็นใครอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ใดเชื่อฟังครูบาอาจารย์ไหนก็อยุดมั่นถือมือบาอาจารย์นั้นนะถูกต้องแล้ว้ทางอันถูกอันอื่นใช้ไม่ได้ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาไปจับเอามาคนละประเด็นคนละเงื่อนมันสับซ้อนกันนิดหน่อยตรงที่กายานุปัสสนาเนี่แหละพี่นายเห็นกายในกายเพราะงั้นมาทําความเข้าใจกันตรงนี้สัหน่อยเพื่อไม่เป็นการทะเลาะกันต้องเข้าใจกันที่ผู้คนนี้มันถูกด้วยกันทั้งนั้นนะที่ไม่ใช่มาผิดบางทีตรงที่มันทะเลาะกันตรงที่มันทะเลาะกันว่าอันนี้ถูกอันอื่นผิดอันยัง อีทางสัจจังโมคะมันยังอันนี้เท่านั้นแหละทุกอันอื่นพิษโมคะหมดโมคะมันยังอันอื่นล้มละลายโซนเปล่าไม่มีประโยชน์ออีทางสัจจังอันนี้เท่านั้นทุกโมคะมันยังอันอื่นพิษนี่เกิดสับตนเพราะนั่นพวกเราจะต้องทําความเข้าใจนี้ให้ได้ให้ได้เอาไปนั่อันไปซะก่อน ท, ท, ที่ที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไว้มันมีปัญหาตรงที่ อ่าการพิจารณาเห็นกายในกายพอเข้าสู่เวทนาสู่จิตสู่ธรรมไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันมันทุองการอีกองที่ทําความรู้ความเห็นกายในกายเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นกายในกายทั้งภายในั้งภายนอกเห็นอย่างไรต่อมาก็มาว่าเห็นเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกเห็นเวทนาในเวทนาภายในเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในและภายนอก เห็นจิตในจิตภายในเห็นจิตใ น, นจิตภายนอกเห็นจิตในจิตทั้งภายนอกภายในเห็นทําในทํามภายนอกเห็นทําในทํามภายในเห็นทําในทําทั้งภายนอกและภายใ น, ยใ น, ยในมันค่อนข้างจะสับสนแต่ดูดูแล้วไม่สับสนอะไรเลยแต่พวกเราไม่เข้าใจเอาเอาตัวที่มันสับสนที่สุดก็คือเรื่องตายกายนุบธนาเนี่ยมันมันเป็นปัญหาเก้าแงถ้าสามเมืรู้จักจกายควบคุมกายได้มันก็จะเกิดความทุกข์ เฮ้ยความทุกข์กตามใจมันเถอะเวทนาคือสุขคือทุกเกิดขึ้นแล้วมีสติมีสมัมรจิยะควบคุ ม, มกายได้โยมก็จะไปเพ่งดูเวทนาเวทนานี้เหมือนกันหมดไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าสำนักไหนทั้งนั้นมีสุขกับทุกมันรู้จักสุขจากทุกความไม่สุขไม่ทุกทิตก็เหมือนกันเองแต่มันมาผิดแปลกกันตรงที่เริ่มต้น้วยกายกายนี่ท่านจัดไว้เป็นหมวดหมวด ให้เราพิจารณาจำแนกวิธีปฏิบัติไปหลายอย่างอย่างที่ชัดเจนมากข้อแรกหัวหน้าใหญ่อานาปานสตินี่อันหนึ่งนะจำไว้ให้ดีนึง<ม>่งอานาปานสติกาำนดลมหายใจเข้าหาใจออกนี่จะเห็นกายในกายกายันยะตาลาหังพิกเวเตังวะธามิอัสสาสปัสสังพิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าหาใจออกนี้แหละคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายจำไว้ อันที่สองกำหนดอิริยาบทอริยาบพระมีหยาบขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะค่อยอธิบายกำหนดรู้อิริยาบทยืนเดินนั่งนอนอริยาบทใหญ่ๆมีสติรู้อยู่บางทีมั่วเลยบางคนสอนให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกคอฟโดการล็อเคลื่อนการเคลื่อนการไว้เดินก็รู้ว่าเดินนั่งรู้เอาไปมาสับสนนักปฏิบัติ เราเสียลูกหาสับสนไมงรู้จะเอาอยัางไงมันร้ายอันมันมางค่อนข้าจจะสับสนเอาละฟังดูการกำหดลงหายใจเข้าหาจะออกนีนอันหนึ่งเป็นดารพื้นนาการในกายเป็นหัวข้อใหญ่เลยอันที่สองอิริยาบผะกำหนดรู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอันที่สามสัมปชัญญะบารพระสร้างสัมปชัญญะในการกระทําความเคลื่อนไปทุกอย่าง คือซอยลงไปอีกหน่อยนั่งก็รู้อยากยืนรู้อยากเดินรู้อยากนอนรู้อยากก็ซอยกระดิกพลิกแทงลืมตาอาปาขาดคุยหูเหยียดก็เมเยนี่เล็กลงมาอีกเลยนะเกี๋ยววัสดุสชัญนะบับพะอันที่สี่ปฏิกูลมนุษการพิจจรณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชมเข้าในร่างกายนี้หยาบขึ้นมาอีก จอันที่ห้าพิจารณาธาตุธาตุมนัสิการระบบพระพิจารณาเห็นเรื่องกายของตนโดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างหลาอย่างกองกองกันรวมกันนี้นี่เป็นมหาภูตารูปท่านก็จำเนีแยกแยะเดี๋ยวจะได้อธิบายไปโดยเฉพาะเรื่องตายเนี่ยอธิบายกันให้ชัดเจนวันนี้ไม่พอพวกนี้เราก็ว่ากันใหม่จะเป็นรายไปเวลาเรามีแต่นี้ เรียกว่าธาตุมรัิการที่นี่หลังจากธาตมมรัิการแล้วนะมันยังมันยังไม่พออีกมันยังไม่พอพวกพิจารณามาโดยละเอียดมันมั น, ม, นมันละเอียดมันยากหนึ่งพี่นาลอมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดดถ้ามันยังละเอียดอยู่ก็หยาบขึ้นมาหน่อยมาพี่นาอิริยาบถกําหนดรู้อิริยาบถเดินเดินนั่ง น, นอน ถ้าข้อที่สองนี้ยังยังละเอียดอยู่สติสัมปชัญญะยังไม่ทันก็ซอยหยาบขึ้นมาอีกให้มันมีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวกระดีกพลิกแพลงเลือมตาอาบปาคาคุยถ้าอย่างนี้ยังไม่พออีกอยังยังละเอียดอยู่ก็ขยับขึ้นมาหยาบอีกปฏิกูลมนสิการพี่ีส่วนประกอบไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมเข้าในร่างกายนี้มีอะไรหนาเอาหนาเป็นอันนี้ยังเห็นอยู่ว่ามันอ้อ ยังหนัก่วงด้วย